แล้วตัวหูเสียงโสตวิญญาณผัสสะเวทนาก็เป็นสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็มีสิ่ง ท, งที่เป็นสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาต้นเหตุแห่งโศกปริเทวะทุกขโทมัตและอุปาญาตฟังคำบังคำและโศกสะเอิอยู่ครึ่งวันเคยไหมกคมปฏิเสธเป็นต้นใช่หมโอ้ อยากได้บางอย่างไม่ถูกปฏิเสธมาในเศร้าไปครึ่งวันเนยนะอยากไปเที่ยวบางแห่งใช่ไหม <c oughs> ไห ม, ไมเด็กๆเนะ่ขอไปเที่ยวพ่อขอไปเที่ยวหน่อยบอกไม่ให้ไปไงนะโอ้ยนอนเศร้ากันกว่าจะหลับนะนะั่นแหะคําเดียวคำว่าไม่คําเดียวเนี่ยนะอืเป็นที่ตั้งแห่งโสกะใช่ไหมได้ยินอยู่เสียงเดียวเนี่ยนะบ่นอยู่ได้ครึ่งวันได <c oughs> ้ยินแค่คําเดียวเนี่ยนะโสกะอ่ะปริเทวะก็คือบ่นนะนะั่นแหละบ่นแล้วบ่นเล่าบ่นเอ้บน่บ น, บ น, บ น, บนอีกไงนะ เสียงเสียงเดียวเนี่ยนะทำให้โ อ, ح, โอ้โหโรคโรคกําเริบเลยก็มีทุกันนะไข้ขึ้นเลยก็มีเคยได้ยินไหมบางคนเนี่ยเนาได้ยินเสียงเสียงเดียวเนี่ยคำคำเดียวหรือได้ยินหลายๆคําก็ตามเถอะป่วยเลยก็มีไข้ขึ้นเลยก็มีบางพวกก็เสียใจอยู่นั่นแหละน้อยเนื้อต่ําใจน้อยอกน้อยใจเศร้าใจอยู่นั่นแหละอย่างเ้ยบางพวกก็แค้นใจอึดอัดเครียดผูกเวรถูกพยาบาทก็ไม่ใช่น้อยเพราะเสียง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 การกําหนดรู้จึงมีอุปการะมากจมูกก็ควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญากลิ่นก็ควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาคานวิญญาณก็ควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาคานะสัมผัสก็ควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญาแม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นตัตใจก็ควรกําหนดรู้ด้วยตีรณะปริญญา นนะกาหนดรู้ว่าเช่นจมูกเป็นของร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนคานาวิญญาณเป็นของร้อนคานาสัมผัสเป็นของร้อน <c oughs> แม้สุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่มีที่เกิดขึ้นเพราะคานาสัมผัสเ ป, เป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเพราะเป็นที่ตั้งแห่งราคะร้อนเพราะไฟคือราคะเนี่ย น, นะเชื่อไหม าวารจมูกนี่ใครเคยถมเต็มมั้งเอาอะไรมาดมไม่พอสะมีไหมอาจจะดมน้ํากรดแล้วจมูกเสียไปเลยอาจจะพอนนะแต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆวไปนะเรียกว่าหอมไม่พอเลยนะรับกลิ่นเหล่านั้นนนั้นให้พอเลยไม่นี่ไม่เต็มฐานะทวารเนี่ยนะถมไม่เต็มจเจ้ากลิ่นมาทั้งโลกเนี่ยนะเปลี่ยนกลิ่นไปเรื่อยๆ ย, ยังไงก็ถมไม่เต็มนะแล้วต่อไปร้อนเพราะไฟคือโถสระมันเผาทวานจมูกเคยไหม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 จะรู้ให้มันรู้จริงนี่มันรู้แค่ไหนจริงก็รู้รรว่าจะโมกนะมีอะไรเป็นเหตุไปมาภูตารูปเป็นเหตุใกล้มีกรรมเป็นปัจจัยโดยนานั้คนิกกรรมมาปัจจัยมีคันทะตันหาเป็นกุปปนิสัยปัจจัยเนยนะอาศัยอาหารเชรื้อโรคบุตรเชื้อโรจิตต่ชื้อโรเป็นผู้มาอุปธรรมแวดล้อมอาหารชรื้อโรเป็นพี่เลี้ยงเจริญเติบโตมาโดยลําดับ ทีนี้ถ้าหากว่าจมูกเหล่านี้ถ้ากรรมที่เป็นตัดใจวิบัติจมูกวิบัตนะิไหยวิบัติเป็นต้นเนียนะถ้าอาหารเชโรควิบัติจมูกเสียหายไหมเสียหายเนี่ยนะนะเพราะว่ารักษาจมูกก็ยังรักษาด้วยอาหารอีกอยู่ดีอาหารหมายถึงยานะก็ต้องอาศัยยาอีกอยู่ดี <c oughs> ไม่ใช่อะไรพึ่งหยอดจมูกมาดังนั้นจมูกเหล่านี้เนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งแห่งสารพัดโรคเลยนะนะ กง่กนจึงเป็นสิ่งที่เป็นสังขารธรรมจริงๆถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถึงจะดูแลดูแลดีอย่างไรก็ตามถ้มีโยมคนหนึ่งเล่า <c oughs> เป็นคนที่รับซื้อของเก่าคนรับซื้อของเก่าซื้อพวกภาชนะเก่าๆพวกแกน้อนพวกอะไรเนี่ยนะเขาก็รับซื้อรับงซื้อของเก่ า, าทีนี้พวกถ้าซื้อแกนลอนมันก็ต้องเปิดและดมดูก่อน เปิดดมเปิดดมเปิดดมดมจนได้มะเร็งที่ที่หลังจมูกนะที่สุดก็เข้าสมองเกิดหมายเป็นนานละตายไปแล้วไหมตอนนั้นแหละพ่าบางคนเนี่ยดมจนได้เนี่ยนะจนได้มะเร็งก็มีนั้นจมูกจึงเป็นของร้อนนะตามมาด้วยโรคภัยอีกเยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> สัตว์บางพวกเนี่ยนะมันตายเพราะได้กลิ่นนะถ้าไม่ได้กลิ่นไม่ตายหรอกกัก นะเพราะได้กลิ่นนั่นแหละจึงตายเพรทั้นจมูกก็ร้อนกลิ่นก็เป็นของร้อนคานาวิญญาณก็เป็นของร้อนจริงๆมันทำไม่ได้กลิ่นซะอย่างเดียวเนี่ยนะไม่เกิดความโลภไม่เกิดความโกรธเป็นต้นอย่างมือเย็นๆใครรักษาอุโบสถถ้าไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไม่ค่อยหิวเท่าไหรนะ่ใช่ไหมเพอะได้กลิ่นเท่านั้นแหละหิวเลยนะสายอร่อยมากนะออกมาฝากตอนเช้าก็เลยไม่นด้เรื่องเลยนะจริงๆแล้วก็คือกลิ่นนี่มัน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 ถ้าหากว่าสาวหาต้นเหตุสาวหาต้นตอพบความทุกข์อย่างน้อยก็พอพอประทังประทังออกไปแปลกนะราคะก็ตามโทสะก็ตามโมหก็ตามถ้าปัญญามันเกิดแล้วไม่รู้มันหายไปไหนหมดเออในพวกความโลภก็กลัวว่าปัญญาจริงๆเลยนะความโกรธก็กลัวปัญญานะความห ล, ลงยิ่งกลัวปัญญามากเหมือนกับความมืดนี่ความมืดนี่กลัวอะไรที่สุดกลัวแสงสว่างไนงะ โมหะนี่กลัวมากกลัวปัญญาเพั้นถ้าปัญญาถ้าเรามีปัญญาเอามาใช้เนี่ยกิเลสนี่มันไม่ว่ามันหนีไปไหนหมดแต่ถ้าปัญญาไม่มานะหรือปัญญาไม่ยอมมาทํางานเลยเนี่ยนะปตกงานเนี่ยปัญญาตกงานเมื่อไหรก่ก็โอ้กิเลสเล่นงานเต็มที่เห็นไหมพอเราลืมพระพุทธเจ้าเนี่นะปัญญาเลยไม่ค่อยทํางานเลยนะลิ้นเนี่ยเป็นของร้อนรถก็เป็นของร้อนชิวหาวิญญาณก็เป็นของร้อน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 รสชาติของมหาพูดเนี่ยมันยั่วยวนชวนใจบอกไม่ถูกใช่ไหมเคยเคยหิวหิวนะข้าวตากแข้งมันยังเห็นว่าอร่อยเลยคิดดูข้าวตากแข้งขนมปังอะไรก็มันอร่อยด้วยอไร่อยไปหมดอลองหิวเต็มที่มันมหาพูดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งความหอยหิวจริงๆอ่ะนะพราะพวกทวารลิ้นเนี่ยบางคนเนี่ยนะติดใจในรสเนี่ยเที่ยวแสวงหาอาหารจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งโอ้ยติดใจในรส บางคนก็ไปหากินต่างประเทศเลยไปหากินต่างประเทศเพราะรถติดใจในรถไปขับรถไปตะเวนตะเวนหารถที่อร่อยๆเลยนะ <c oughs> เดือดร้อนพรลิ้นเนี่ยมากเลยนะแล้วก็โรคทั้งหลายก็ไหลมาจากทวารลิ้นนั่นแหละ <c oughs> บางมือเนี่ยทะเลาะ ก, กันบนโต๊ะอาหารก็เพราะรถมันไม่อร่อย <c oughs> บ่นกันอยู่นั่นแหละอย่างที่เขาเล่าให้ฟังนะมีพ่อบ้านคนหนึ่ง ก่อนที่จะมาศึกษาธรรมะเนี่ยแม่บ้านก็ทํากับข้าวให้แกชิมเข้าไปช้อนเดียวแค่นั้นแล้มันไม่อร่อยก็ยกคว่ำใส่ศีรษะแม่บ้านเลยนะบางคนก็หนักขนาดนั้นก็มีบางคนนี่ก็ทะเลาะกันบ่อยมากในโตอาหารเพราะว่าอนุภาพของราศาัศดรหาสังเกตดูนะราัาตัรหามันทําให้พี่น้องแย่งขนมกันทะเลาะกันใครไม่เคยบ้างทำไปนนั่งเหอะทะเลาะแย่งกับพี่แย่งกับน้องเรื่องขนมนี่แหลเดียนะ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 มันก็อยู่กันสักวพอมีอาหารใหม่ทะเลาะกันอีกเนี่ยนี่ยอนุภาคของรัศกรันหานี่มันรุนแรงมากพี่น้องก็ทะเลาะกันตอนที่หิวหิวอยากได้รัศกรันหาเนี่ยนะบางพวกก็เรียกว่าฆ่าพ่อข้าแม่ก็มีนะก็เรียกว่ากล่องข้าวน้อยข้าแม่นะก็เพราะรัศกรันหานี่มันหิวจริงๆทั้งทั้งทีจริงๆแล้วมันไม่ได้อยากกินอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าตันหานี่มันเออขออภัยร่างกายมันไม่ได้ต้องการมากมายอะไรหรอก แต่ว่าระสะกการหามันต้องการมากวันก่อนยังฝังแล้วขำเลยบอกว่าอุย๊ยตอนตอนตัดอาหารนะยังกระชูชกเขาวางันเขาทานแล้วไปได้สักคร่งระดับหนึ่งแล้วบอกอุย้ยใจเป็นพระเวีตันดอนหมดเลยเคยไหมเป็นยังไงโอยตอนตอนสมมติอาหารบนโต๊ะตอนหิวเต็มที่นะมันเป็นชูชกหมดแล้ว น, นั่นก็จะเอานี่ก็จะเอากองพนันเดินดึก ตักกินก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะใกล้จะอิน่มนะบอกกลายเป็นพระเวสสันดรหมดเลยนะเออเอานี้ไปให้คนนั้นเอานั้นไปให้คนนี้แบ่งไม่ให้คนนั้นเ่็นนะทีไหนได้มันอิ่มแน่หรอกฉั้นชี่ยวหาเนี่ยนะเป็นเป็นร้อนร้อนจริงๆยมก็บอกว่าเฮ้ยทันหาอ ย, ย่างอื่นๆเนี่ยก็ลดไปเยอะเนี่ยนะหรือแต่ทวารลิ้มอย่างเดียวเท่านั้นยมนั่งอยู่แถวนี้แหละ <c oughs> เออยชื่อเดี๋ยวเสียเกียรติหมดนะกลายเป็นของร้อน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 แข่งเนี่ยนะอันตัวกายก็เป็นของร้อนโพธพะที่อยู่ในภายในก็ตามโพธะะจากภายนอกก็ตามก็เป็นของร้อนกายะวิญญาณด้วยก็ยิ่งร้อนเนี่ยนะถ้าสุขะกายะวิญญาณเกิดขึ้นก็โลภะก็เผาทุกขะกายะวิญญาณเกิดขึ้นโทสะก็เผาร้อนกายะสุขะกายะวิญญาณก็เป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาทุกขะกายะวิญญาณก็เป็นที่ตั้งแห่ง